ตั้นสายโดยชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักที่กำลังนั่งฟังวิทยุอยู่เวลานี้วันนี้ล้มปู่ก็จะขอคุยกับบรรดาลูกหลานที่รักในเรื่องราวของสวรรค์สามต่อไปหวังว่าในวันก่อนๆที่ลูกหลานได้สนับมา ยังคงจำได้ทั้งความดีของคนสองคนหรือว่าสุวนาณสามเนี่ยมีปิยะวาจาคือวาจาเป็นที่รักหมายความว่าพูดวาจาอ่อนหวานถึงแม้ว่าตัวเองจะลำบากจะเจ็บปวดมากสัตวยไก็ตามทีสุวรรณสามก็ไม่ได้แสดงความโกรธกับพระราชา แล้ยังพูดดีแล้วควน้ำสามปันแดนถึงความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาพระราชาก็แสนย็นดีตอนก่อนพูดบดและปรากฏว่ามารู้ตัวทีหลังว่าตัวพูดผิดไปไม่สมควรกจะฐานะของกษัตริย์นี่ขอลูกหลานที่รั ก, กับฟังและจงจําไว้เพราะวาจาใดที่เป็นวาจาไม่จริงนะ่ะมันเป็นของไม่ดี คนดีเขาต้องรักษาสัจจาวาจาแล้วก็คนดีจะต้องมไม่อกตัญญูต่อบิดามดาต่อครูบาอาจารย์ต่อบุคคลที่เป็นที่รักและคนที่มีคุณเราจะต้องตอบสนองคุณของท่านด้วยความดีของเราจนเต็มกำลังอย่างสุวรรณสามเมื่อสวรรณสามพูดดีไม่แสดงการความโกรธ แสดงความกตัญญูรู้คุณตบิดามันดาฉะนั้นพระราชาที่รับภาระรูตระ้ตัวว่าผิดคิดว่าเมื่อเขารักพ่อรักแม่ของเขาถ้าพ่อแม่ของเขาก็เป็นคนตามบอดเราจะต้องช่วยเขายังได้รับปากกะสุวรรณสามว่าไม่ไม่เป็นไรต่อไปทัญนจะเลี้ยงบีดามันดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงน่ารักนะจ๊ะ วันนี้ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชาทรงรับสั่งบาเอาระพ่อสวรรณนสามเราจะไปหาบิดาบรรดาของเจ้าเดี๋ยวนี้เจ้าจะสัางอะไรทถึงบิด า, ามารดาบ้างสวรรณนันสามก็หมายกราบทูลว่าขอเนชาข้าพระองค์ขอสั่งฝากกราบไหวบิด า, ามรรดาทั้งสองด้วย พอพระองค์จงแจ้งให้ทันทราบ ว, ว่าข้าพระพุทธเจ้ากราบพระองค์แล้วพระเจ้าข้าพอสุวรรณสามกล่าวเท่านั้นก็ยกมือทั้งสองประคองแล้วกราบลงกับพื้นดินในที่สุดก็ฟุบลงไปมันเจ็บหนักนี่ความจียงไม่น่าจะพูดได้มากอย่างนี้นะจ๊ะแต่ความจเจียงด้วยอำนาจความดีนี่ยย่อมช่วยคนให้ทรงตัวได้นานแล้วแต่ท่านกล่าวว่าด้วยอำนาจ กำลังแรงของยาพิษที่อาบพวกศรความจริงลูกศรและลูกธนูที่เขายิงสัตว์เนี่ยเขาใช้ยาพิษอาบเมื่อยิงไปแล้วเป็นแผลเพราะเลือดไหลไอยานี้ยเขจะทราบสร้างไปเกิดความเจ็บปวดมากเพราะสมัยนั้นไม่สมัยนั้นไม่มีปืนเขาใช้ลูกธ น, นูและลูกศร อ, อำนาจยาพิษที่ได้ทําให้สวรรค์สามฟกเพราะเจ็บมาก ปากก็ปิดตาก็หลับมือและเท้าก็แข็งร่างกายโทมนั่นหมายความเลือกก่อยกระไลโ่โทมท่วมกายไม่น่าสงสารนะจ๊ะเออคนดีๆอย่างนี้ความจริงคนที่ถูกเขาฆ่าตายที่เป็นคนดีก็เยอะไปอาศัยคนเลวที่ไม่มีความไม่มีความดีทำลายได้คนทุกคนสำหรับพระราชา อิยะอ่าพิยรยัราตสรงทอดเป็นเนธนนากายของส่วนสามชินนั้นก็สรงตกประทไทยถ้าสงสารเต็มกำลังสรงนั่งลงรลูปคลมพิจารณาลมอัดสาสะปัสาสะลมอัดสาสะเนี่ยคือลมให้ใจเข้านะจ๊ะถ้าลมปัสาสะก็เลยลมให้ใจออก ขาเอ่ขอสุวรรณสามเห็นดูลมไม่ใจเข้าใจออกขอสุวรรณสามเห็นว่าไม่มีลมแล้วหมดร่างกายก็แข็งทรงแม่พระไทยว่าสุวรรณสามกุ ม, มารชินใจแล้วก็ไม่อาจที่จะทรงกลั้นความโศกเศร้าเสียพระไทยไว้ได้พระหัตถ์สองกุมประสียนปวดหัวเสียใจเพราะเราจะไม่น่าจะฆ่าคนดีเลย แต่ความจริงท่านแปลกใจพ่าที่มากัรเนื้อกับเสือกับแก้งกับกวางอย่างนี้คนที่ไปเพื่งกษัตริย์ไม่มีท่านไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นคนหรือจะเป็นนาคเป็นกุมภันที่จะยิงนอยากจะรู้เท่านั้นเองแล้วก็ทรงบริเทวนาการคือร้องไห้ข้ามคนร้องไห้นะเสียใจแล้วก็ข้ามคนลําพันธ์ว่าโอ๋หนอเราผู้เป็นเราเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ สำคัญตนว่าจะไม่แก่จะไม่ตายบัดนี้เราได้เห็นจริงแล้วเพราะว่าได้เห็นส่วนสามซึ่งเป็นเด็กเล็กคราวโลกของเราถึงได้ความตายอัความตายที่จะไม่ที่จะไม่มาถึงนั้นไม่มีแล้วแล้วเราทำกรรมหนักเมื่อตายก็น่ากลัวจะไปนรกแน่นอนเมื่อยังไม่ตาย ก็จะได้คำตีเตียนจากประชาชนว่าเราทำกรรมที่ไม่สมควรจะทำคือฆ่าคนที่ไม่มีความผิดคำการลำพันธ์ของพระราชาในโลกหลานที่รักจำให้ดีนะจ๊ะว่าคนเราเกิดมาไม่ตายนะไม่มีฉะนั้นก่อนที่เราจะตายเราก็จงตายอย่างคนดี เพราะว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะเรายังไม่ตายแล้วก็ต้องทำตนเป็นคนดีในเมื่อเราเป็นคนเราเป็นคนดีแล้วเราเป็นผีเราก็เป็นผีดีผีดีตรงไหนคนดีก็ทำยังไงคนดีก็คือมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดารู้คุณครูบาอาจารย์แสดงความเคารพในท่านไม่ดูถูกดูหมิ่นในท่าน รู้คุณสมหารกษัตริย์รู้คุ ณ, ณ ร, รัฐบาลที่จงรักพระดีต่อประเทศชาติแต่ว่าธารัฐบาลหรือพระคณาธิกรารคนใดที่เขาไม่หวังดีต่อประเทศชาติ mm hmm. เขาโกงเขากินนาะยอยไปรักเขานะ mm hmm. เราไม่รักเขาเราก็ไม่เกรดเขาเราเฉยเฉยถือว่าเป็นกรรมของเราที่เกิดมาเพื่อเขาโกงเขากินเราเพราะบาปกรรมในชาติก่อนที่เราทําไว้ คนที่จะดีได้ไปอย่างนี้ลูกหลานที่รักจะพูดหนึ่งฟังถ้าอยายจจเป็นคนดีเป็นที่รักของคนทั่วไปแล้วก็นหนึ่งเรามีจิตสงเคราะห์เกื้อกูลยื่นยืนโ ย, ย น, ยนระหว่างเพื่อนเพื่อนบ้านไกลเดี๋ยบ้านไกลใครก็ตามถ้ามาเอิงเขาขายแครนอะไรเขาเรามีข้าวกินเขาไม่มีกินก็แบ่งกันบ้างเรามีขนมเขาไม่มีขนมก็แบ่งเขาหน่อย ล้าให้เขาเขาก็รักเราสองบิยาวาจาวาจาอ่อนหวานยาสวรรณสามนี่เป็นที่รักสามอรธยาริยาคือทำตนให้เป็นประโยชน์ถ้าเขาทำอะไรไม่ไหวเราก็ช่วยเขาทำถ้าไม่เคยมีสของเรา <c oughs> ตอนนี้ต้องปูเป็นวัดนะเสียงไม่ดี สีอัฏฐจริยาสมาณัตตาทำตนให้เสมอคือทำตนเป็นเพื่อนไม่ทำตนสูงกว่าเขาดีกว่าเขาเดึงกว่าเขาไม่เยยดยามเขาถือว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนกันถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราก็นอบน้อมแสดงความเคารพ ถ้าเขาเป็นเสมอเราเราก็แสดงการเป็นเพื่อนถ้าเขาเล็กกว่าเราเราก็คิดว่าเขาเป็นน้องเราถือว่าเราเป็นพี่มีความหวังดีต่อน้องมีความรักมันเพื่อนมีความเคารพผู้ใหญ่เหมือนพิดามันดาอาการอย่างนี้แล้วลูกหลานที่รักจะเป็นปัจจัยแห่งความดีลูกหลานเป็นคนก็เป็นคนดีถ้าตายเป็นผีก็เป็นผีดีคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมไม่ฉชนั้นก็ปานิพานเลยเป็นความสุข นี่เล่าเรื่องของท่านต่อไปอดจะคุยก็ลูกหลานไม่ได้ด้วยความจริงที่คุยเนี่ยเพราะรักลูกรักหลานจริงๆแล้วลูกหลานเของปู่ทุกคนเป็นคนน่ารักถ้าลุงปู่เดาไม่ผิดเวลานี้แล้วลูกหลานทุกคนที่กําลังฟังอยู่กําลังหน้าชื่นสดใส ใ, ใจสบายในตาในตาเรียว่าตาแวาวขาวน่ารัก คนอย่างนี้เป็นคนน่ารักหลวงปู่ปชอบหลวงปู่ปคิดว่าทุกคนเขาก็ชอบ ล, ล, ลูกหลานเหมือนกันเพราะลูกหลานทุกคนเป็นคนดีเล่าเรือนอน่องต่อไปนะจ๊ะแยกกล่าวถึงนางตัวนี้ไม่นา น, นว่าต่อที่นี่ไปก็มานั่งมองดูความดีโคสวรรณาสามที่มีความกตัญญูรู้คนตบิดามมนดา ถูกยิงเจ็บก็ไม่โกรธใช้วาจาอ่อนหวานแสดงความเคารพในพระราชาท่านบอกว่าเพราะอาศัยความดีของสุวรรณสามนี้เป็นเหตุให้นางเทพพิดาตนหนึ่งชื่อมีนามว่าพระสุพระสนทรีนะมีนามว่าพระสนทรีพอพานสอสเสือสรุณนนู แล้วก็ทอธงรเรือซรเลียเนียกพระสุนทรีสำนักเรือสถิตยอยู่ที่เขาคันธมาิเขาคันธมาตนี่นี่เ่าเขามีดอกไม้มากๆมีกลิ่นหอมท่านกล่าวว่านางนี่เคยเป็นมารดาของสวรรณสามาในชาติที่เจ็ดคือถอยหลังจากนี้ไปเจ็ดชาติ อย่างนี้ที่คนที่ก็ได้ที่ปีกคุยใหญ่คนดีเขาระลึกชาติได้กนดีเวลานี้มีเยอะในญาติลูกหลานนี่รักเขาสามารถจะรู้ได้แม้แต่เด็กจนๆในสลัมต่างๆเวลานี้เขาก็ฝึกกันฝึกทางกําลังจิตสามารถระลึกชาติได้สามารถเห็นสวรรค์เห็นนรกได้ท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้โดยไม่ต้องใช้ผานะเวลานี้มีเยอะ โนหลานที่รักเขาฝึกกันก็ทํากันได้ดีเป็นของจริงไม่ใช่ของหลอกอย่าไปเชื่อใครนะว่าวิชาความรู้อย่างนี้ไม่มีเวลานี้มีพยานมากแราวนี้คุยเรื่องท่านต่อไปถ้าคุยรงนี้เดี๋ยวหลว ง, งปู่ก็แวะเข้าไปคุยเรื่องของใครแต่ใครเยอะที่อย่าคุยกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรื่องสวนอัสามจะไม่ค่อยจะจบ เมื่อท่านราชน์เมื่อท่นานทราบว่าสวรรณสามถูกเป็นัันว่านางเทพธิดา น, นะเมื่อทราบว่าสาวรณ ส, สามถูกพระราชาพยาาิยขราชยิงล้มสลบอยู่ข้างหาดทรายฝั่งแม่น้ำนางเป็นแม่มาก่อนแม่จะมีความรักลูกถึงแม้ว่าชาตินี้ไม่เช่ลูก ชาติโน้นเคยเป็นลูกเวลานี้นางเป็นเทวดานางก็ยังไม่ลืมในฐานะที่เคยเป็นแม่เพราะว่าส่วรที่สามเมื่อเป็นลูกของนางก็เป็นลูกดีเวลานี้มาเป็นลูกของพระนางสองก็มาเป็นคนดีรายัยความดีอย่างนี้นางจึงทนไม่ไหวนางจึงได้รีบมาจากเขาคณมาศ ต, ตรงเข้าไปยังฝั่งสถิติวากาศ ก็ลอยอย่ในอากาศแล้วก็แฝงกายคือกายเป็นทิพย์ไม่ทาให้ให้พระราชาเห็นไม่ทำกายให้พระราชาเห็นเปล่งเสียงออกมาทางอากาศว่าข้าแต่พระราชาพระองค์ทำความผิดมากที่พระองค์ทรงฆ่าสวรรณสามหาพนเป็นผู้หาความผิดนี้ได้ มานดามิดาของสวรรค์สามก็จะต้องพลอยสิ้นชีวิตไปด้วยเพราความเศร้าเพราะความเศร้าโศกทั้งหมดแล้วก็จะต้องอดอาหารตาย ท, ทั้งทั้งที่พระองค์แม้แต่โรง์เองก็จะต้องตกนรกมาเถิดพระราชาข้าพเจ้าจะถวายโอวาทให้พระองค์พ้นจากนรกและก็เสด็จไปสู่สวรรค์ ขอให้พระองค์ทรงเลี้ยงดูบิดามันดาของสวรรณสามซึ่งเสียตาทั้งสองสองตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นเหมือนกับที่สวรรณสามเลี้ยงมาเถิดท่านจะได้ไปสวรรค์เพราะความดีนี้นี่เป็นถ้อยคําของบรรนางเทพธิดาซึ่งเคยเป็นมัรดาเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาทรงพระนามว่าปิยะ ปีรยักราชได้สดับคือฟังคำของนางเทพธิดาแล้วแล้วก็ไม่สามารถจะมองเห็นกายของนางด้วยยังได้รับปากว่าจะรับเรือ่องมันดาบิดาของสุวรรณสามและพระองค์ก็คิดต่อไปว่าเรามันเลวจัดมาฆ่าลูกเขาต้องมีความกตัญญูรู้คุณและบิดามันดาตามมาเห็นเมื่อเราทำความผิดอย่างนี้ เราเลวหล่อนอย่างนี้เราจะไม่ยอมกลับเข้าบ้านคําเมืองไปยังขาดท่านี้ก็เพราะว่าทรงเห็นว่าตามธรรมาราชสมบัติไม่มีประโยชน์อะไรแกพระองค์ก่อนที่จะสเสด็จไปที่นําดอกไม้คําว่าไม่มีประโยชน์ก็หมายความว่าสมบัติแห่งความเป็นพระราชาเนี่ยจะรวยแสนรวยยังไงก็ตามอย่างคนที่เขาโกงเขากินเงินมากๆัต่ลูกหลานที่รัก เคยได้ยินข่าวไหมที่ว่าโกงเขาเก่งเงินนับเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเขารวยกันมากๆแล้วเขาก็ตายท่านก็คิดว่าราชสมบัติไม่มีความหมายสําหรับเราทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราคําว่าเราในที่นี้นะเมื่อเป็นพระราชายอยู่ไม่ช้าก็ต้องตายเหมือนกันนี่ก่อนที่พระองค์จ ะ, สะเสด็จ ไปเกยงนี่ น, นำมาดอกไม้นานาชนิดเด็ดดอกไม้มสวยมาเคารพศพของสวรรสามด้วยมั่นพระไทยว่าสวรรสามสิ้นชีวิตแน่แล้วเมื่อทำวิธีเสร็จก็ยกหม้อน้ำที่สวรรสามตักไว้นั้นก็สะเด็ดไปหาวิดามันดาของสวรรสาม เมื่อถึงที่ประทับยืนอยู่ก็น่าประตูสลาวางหม้อน้ำลงสำหรับทุ ก, กูรดาบที่เป็นพ่อของสวรรณสามนั่งอยู่ภายในอาศมอาศมก็คือกุฏนะจ๊ะคือกุฏิเล็กๆหรือว่ากุฏิใหญ่ๆก็ตามเขาเรียกว่าอาศมคือที่อยู่ได้ยินเสียงเท้าคนเดิ น, นเข้ามาก็แน่ใจว่าคนที่เดินมานี่ ไม่ใช่สุวรรณสามแน่เพราะว่าสุวรรณสามเดินเท้าไม่หนักยังลองามไม่ว่านั่นใครมาจ้ะพ่อไม่ใช่สุวรรณสามแน่เพราะว่าทีเท้าของท่านเนี่ยเดินหนักลูกของเราเดินเบาเกือบจะไม่รู้สึกท่านเป็นใครมาทุระอะไรหรือ ถ้าพระราชาพิยาปีละยกราชับในระดับคำดำเนินก็คิดว่าถ้าหากว่าเราจะไม่บอกความจริงว่าเราเป็นอาชาบอกแต่เพียงว่าเราได้ฆ่าลูกคนท่านตายสําหรับท่านดาปัสินีคือแม่ก็จะโกรธแล้วก็แสดงความหยาบคายแก่เราถ้าหากว่าเราจะระงับความโกรธไม่อยู่ อาจจะคิดการรนแรงกับท่านต่อไปก็ได้นี่รอบครอบนะความจริงความรอบครอบอย่างนี้ลูกหลานจงจดจำไว้นะจ๊ะการสังเกตของท่านฤาษีก็ดีความดำริของพระราชาก็ดีอันนี้เป็นขอน้อควรแกการศึกษาจะไปไหนมาไหนจะต้ตามคนจะสังเกตไว้คนไหนเคยแาดงการอย่างไร ริยาแบบไหนเราสังเกตไว้ไมีประโยชน์เป็นนักการดําริว่าจะทําดีต่อไปเขาจะเสียเน่ยท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราโตขึ้นมาทํามีการถ้าแ ส, สดงการรุนแรงเกิดขึ้นการที่คิดว่าจะทําดีของเรามันก็จะเสียไปเมื่อเราบอกความจริงว่าเราเป็นพระราชา อาจจะทำให้สองสามมีพัญญานี่เกรงกลัวไม่กลา้าพูดรุนแรงกับเราเมื่อทรงดาเนินนี้แล้วจ่านได้กล่าวว่าข้าพเจ้ามีนามว่าปิยะปิย ะ, ะยะขราชเป็นพระราชาแห่งแคงกาสีมาเที่ยวล่าเนื้อในป่าเขาบอกความจรงิงว่ามาเที่ยวล่าเนื้อในป่าสำหรับท่าน ผู้กุดาบทเมื่อทราบว่าเป็นพระราชาก็ก้มนงกราบถวายบังคมแล้วว่าข้าแต่พระราชาที่พดีพระองค์เสด็จมาดีแล้วขอพระองค์เสวยผลไม้เท่าที่มีอยู่นี่เห็นไหมท่านมีสังขาวัตุทั้งแม้ตาท่านไม่เห็นให้เขาจะเป็นพระราชาก็าช่งางก็เรียกว่ากินเชิญจริงเท่าที่มันมี มีแค่ไหนก็กินแค่นั้นว่าเชิญรับเสวยผลไม้ที่มีอยู่เช่นผลมะพร้าวหรือว่าผลมะหาดผลมะสร้างขอจงเลือกตามประสงค์เถิดพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ดีใจมากที่พระองค์สเสด็จมาถึงที่นี่พระเจ้าค่ะราชาทรงทํำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรอะไรมาก่อนแม้เรื่องสุวรรณสามที่ถูกพระองค์ยิงก็ยังไม่ทรงบอก ชวนดาบทคุยเรื่องอื่นแต่ถามว่าท่านเสียจากสุทั้งสองคนแล้วก็มีใครเป็นคนหาผลไม้ไมาเลี้ยงท่านพระเจ้าเห็นผลไม้ที่วางไว้อย่างเรียบร้อยนี้เข้าใจว่าคงมีคนตาดีจัดไว้แน่ๆท่านทุ ก, กุณับดิตคือพ่อของสวนสามก็กราบทูลว่าข้าแต่สมุติราช พ่อสุวรรณสามบุตรชายขเข้าไปเจ้าเป็นผู้นำผลไม้มาเมื่อเวลานี้กําลังไปตักน้ําที่ทานน้าไม่ช้าก็คงจะกลับไปเจยวการราชาทรงตำหนิว่าถึงเวลาที่เราจะบอกความจริงกระดาษหมดแล้วยังได้ทรงตรวจว่าสุวรรณสามบุตรชายของท่านถูกลูกศรของเข้าไปเจ้านอนตายจมลอหิ้วที่ท่านน้ำนั่นเองแหละ นามปาริกาผู้เป็นมันดาที่อยู่ใกล้ๆพอได้ยินคำว่าสุวรรณสามลูกชายถูกสอนตายก็รีบมาฟังแล้วถามท่านผู้กุดาบทว่าท่านพูดอยู่กับใครและใครมาบอกว่าสุวรรณสามของเราถูกลูกชายถูกสอนตายใจเขาไวเจ้าจะขาดอยู่แล้วช่วยบอกมาไวๆไวเถิด ทูกรดาบทสัมรวมสติมั่นคงค่อยค่อยพูดปลอบประโลมอมพัญญาคือนางปริกาว่าปริกาเอย๋ยผู้ที่พูดอยู่กับเรานี้คือพระมหากจ้าสัตย์แห่งแฟนกาสีนี้เองพระองค์เป็นผู้ยิงลูกชายของเราตายแม่อย่าให้โกรธพระจงอย่าเคืองพระองค์ท่านเลยนึกว่าเป็นเวรกรรมของโลกของเราก็แล้วกัน นี่คนดีเนี่ยคันติความอดทนใโสรจารความสงบสงเี่ยมลูกหลานที่รักจำให้ดีนะจ๊ะคนจนดีได้เนี่ยคันติถึง่ความจริงถ้าอาจจะโกรธถ้าอาจจะไม่พอใจแต่ใ น, นเมื่อความตายไม่เข้ามาถึงแล้วก็ไม่รู้จะทำไงตายก็ตายแล้วนี่พ้ยัมบอกกับปัญญาบอกจะโกรธระราชาเลย คิดว่าเป็นกรรมของลูกของเราก็แล้วกันเพราะว่าสุวนนาสามเมื่อ่านได้เกิดมาไม่เคยทะเลาะ ก, กับใคร่เมื่อความโกรธไม่มีต้องมาถูกรู้สอนก็ต้องถือว่าเป็นกรรมพัฒนางสองเป็นพูดทรงศีลทรงธรรมาต้งแตเด็กสำหรับนามปาริกาพุ่มเป็นมารดาพูดกลางเส้นกลางว่าโอ๋หนอลูกรักลูกรักของแม่ ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เด็ดร้อนเมื่อมีเมื่อมีมผู้มาฆ่าลูกเช่นนี้จะไม่แม่โกรธได้ยังไงเลยจะ๊ะเอาแล้วสิเริ่มโกรธทูกกูบัณฑิษนี่ได้ปลอบโยนว่าปริกาแม่ปริกาขอให้สํารวมจิตยาคิดโกรธเลยบัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้ไม่โกรธคาว่าบัณฑิตนี่แปลว่าคนดีนะ ลูกหลานที่รักจำไม่ดีนะจ๊ะคนดีในหมายความกายก็ดีคือไม่ประทุษร้ายใครวาจาคนดีไม่นินทาว่าร้ายใครพูดวาจาอ่อนหวานใจคนดีคิดรักประสงสารคนอื่นอยู่เสมอคนประเภทนี้เขาเรียกว่าบัณฑิตยังกล่าวว่าบัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้ไมโ่โกรธต่อคนที่กระทําความผิดแล้วก็รับผิดแล้วดังเช่นพระราชาพระองค์นี้ พระองค์่าลูกของเราพระองค์ก็ทรงมาสารภาพแก่เราแล้วนี่พระราชาปีละยกราชทรงตัดกรอบมันท่านดาบททั้งสองว่าท่านางสองอย่าวอนร้อนใจไปให้มากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูท่านนางสองให้มีความสุขเช่นเดียวกับที่สุนรสามบทของท่านเลี้ยงดูดท่านทุกอย่าง ขอให้ท่านงสองคลายความโศกเถิดสําหรับท่านดาบทตรผู้หญิงคือแม่กราบทนว่าข้าแต่พระองค์แม่ก็น่านึกนะน่าคิดนะจ๊ะลูกท้งคนเนี่ยข้าแต่พระองค์ทา่านทางนางแต่เป็นยางไงรัฐาทิปัดรัฐาทิปัยหมายความเป็นใหญ่ในแว่นแควนน่ะไอรัฐาเนี่ยไปแว่นแควนนะอย่างรัฐบาล รัฐ บ, บาลก็แปลว่าผู้รักษาแวนแควนรัฐมนตรีแปลว่าเป็นปที่ปรึกษาในแวนแควนใเขตแ ด, ดนข้าพระองค์จะไม่ยอมให้พระองค์ทําเช่นนั้นไม่ได้พระองค์จะเป็นอาพระองค์ทรงเป็นเจ้าเหนือหัวงข้าพระบาทข้าพระบาทจะขออยู่ตามปภาษายากชนินแหละพระเจ้าค่ะพอไม่เวลาละหนึ่งนาที ราชาทรง พ, พระบัที่เห็นดาปสินีคือแม่ของสวรรณสามไม่แสดงการกดเครืองในตนรับแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์แลยกย่องพระองค์เพื่อให้ดาวบททั้งสองเห็นว่าพระองค์เต็มพระทัยที่จะปฏิบัติเขาทั้งสองจึงได้ทรงดัดว่าท่านทั้งสองข้าพเจ้าขอรับท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาข้าพเจ้า ปัญญ า, าถือว่าข้าพ เ, เจ้าเป็นพระราชาเลยคอยนึกว่าเวลานี้ข้าพ เ, เจ้าเป็นสวรรณสามคนแล้วกันลูกหลานที่รักเวลาเหลือนาทีเดียวตอนนี้นะจ๊ะดาบทัตาบสินีทั้งสองกราบบังคมทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์การงานอย่างอื่นที่พระองค์จะทรง ก, กระทไแก่ข้าพระบาททั้งสองนั่นมันไม่มี นอกจากค้าลระ บ, บาททั้งสองจะต้องทั้งสองจะขอให้พระองค์ทรงกรุณาถือไม้เท้าของค้าพระ บ, บาททั้งสองไปที่ศพของพ่อสุวรรณสามพอให้ได้รูปคลําหมายว่าพอให้ได้รูปรูปคำค ำ, คำก็แล้วกันจากนั้นค้าพระ บ, บาททั้งสองก็จะทรมานตัวให้ตายตามลูกชายพระพุทธเจ้าไป เห็นไหมลูกหลานที่รักน้ําใจของพ่อของแม่นะ่ะเป็นอย่างนี้นะมีความรักลูกยิ่งกว่าชีวิตถึงแม่คํ า, าบอกเขจะคิดลเลี้ยงก็บอกไม่เอาละโลกตายเนี่ยตายไปด้วยเป็นอันว่าคุยกันต่อไปไม่ได้เสีย้ายนะจ๊ะเวลาหมดก็ต้องขอลาก่อ น, นหลังคุยกันใหม่เรื่องนี้ดีสนุกดีนะจ๊ะต่อไปอีกหลายเรื่องอย่างเรื่องโมโหสถที่ลูกหลานจะได้เกือดฟังและจะเกิดปัญญามาก และพูดมากเวลาเลยขอลาก่อขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแดท่านบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี